24. วิธีเดียวที่ทําให้สติเกิดคือหัดรู้จักสภาวะไปวงเล็บเปิดยมกราคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดวิธีทําให้สติเกิดให้หัดรู้จักสภาวะไปจิตดวงนี้หน้าตาอย่างนี้จิตดวงนี้หน้าตาอย่างนี้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งแต่ละรูปแต่ละรูปไม่เหมือนกันแต่ละนามแต่ละนามไม่เหมือนกัน การที่เรารู้จักแต่ละตัวแต่ละตัวได้เพราะเรารู้จักลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละตัวเช่นความโลภจิตที่มันโลภมันมีลักษณะอย่างหนึ่งจิตที่โกรธจิตที่หลงมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะนี่ภาษาแขกเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดวิเศษลักษณะปิดเครื่องหมายคำพูดการที่เรารู้วิเศษลักษณะทําให้เรารู้ว่าจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตไม่โกรธก็เป็นอีกดวงหนึ่ง จิตโลภเป็นดวงหนึ่งจิตไม่โลภเป็นอีกดวงหนึ่งจิตหลงเป็นดวงหนึ่งจิตไม่หลงเป็นอีกดวงหนึ่งจะเห็นเป็นคู่คู่ไปจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตโหดหูกับจิตไม่โหดหูจิตเป็นสุขกับจิตไม่มีความสุขไม่เหมือนกันจิตเป็นทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์ก็ไม่เหมือนกันจิตเฉยๆกับจิตที่ไม่เฉยก็ไม่เหมือนกันแต่ละตัวไม่เหมือนกันพอเราเห็นได้ว่าแต่ละตัวมันแตกต่างกันอย่างนี้นะเราจะเห็นความเกิดดับได้ ฉะนั้นพอจิตที่โกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจิต ท, ที่โกรธมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่ไม่โกรธขึ้นมาแทนพอจิตมันหลงไปเรามีสติรู้ทันด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเราจะเห็นทันทีเลยว่าจิต ท, ที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วดับหมดเลยเกิดจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาแทนเกิดเป็นคู่ ค, คู่คู่ไปเหมือนพลิกซ้ายพลิกขวายอย่างนี้ตลอดเวลาพลิกอยู่สองด้านเห็นไหมแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ทำไมไม่เหมือนกันเพราะเราเห็นลักษณะที่แตกต่างกันการที่เรารู้จักลักษณะะเฉพาของรูปธรรมนามธรรมาแต่ละตัวแต่ละตัวชัดเจนนะคอยตามรู้ตามดูเรื่อยพารูปธรรมนามธรรมาชนิดนั้นเกิดขึ้นสติรู้ทันเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพอมันหายไปสติก็รู้ทันอีกสิ่งนี้หายไปแล้วเราจะเห็นความเกิดดับได้ไม่ยากนะไม่ยากฟังแล้วยากแต่ว่าปฏิบัติจริงไม่ยากไม่ต้องทําอะไร เวลาเราภาวนาแล้วล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายเพราะเราคิดตลอดเวลาว่าทําอย่างไรจะดีทําอย่างไรจะถูกทําอย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานใจมันคิดแต่จะทําทําไมต้องทําเพราะมันอยากอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานความอยากเป็นกิเลสเป็นโลภะถ้าความอยากครอบงำใจสติจะไม่เกิดวิธีทําสติให้เกิดมีวิธีเดียวคือหัดรู้สภาวะไปใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ ดูมันไปแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันหรอกหัดดูไปเรื่อยๆพราะจิตจําสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีทิรสัญญามันจําได้หมายรู้ได้แม่นยําสติจะเกิดเองสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้แต่ถ้ามีเหตุคือมีทิรสัญญาสติถึงจะเกิดในศาสนาพุทธนี่เราต้องตั้งหลักให้ดีไม่มีอะไรที่เราสั่งได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยฉะนั้นไม่ใช่อยู่ๆเราจะสั่งให้สติเกิด บางคนกำหนดทียิบเลยนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือว่าไปกำหนดอะไรต่ออะไรนี่ไม่ให้คลาสายตาดูท้องพองยุบไม่ให้คลาสายตาทำอะไรไม่ให้คลาสายตาเลยกะว่าสติจะเกิดสติไม่ได้เกิดเพราะการบังคับใครก็บังคับไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติเกิดจากทีรสัญญาเท่านั้นจำมาไว้นะคือจิตจาสภาวะได้แม่นจิตจะจาสภาวะได้แม่นต้องดูสภาวะบ่อย งานของเราคือหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆดูไปสภาวะโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูใจลอยเ m ่อใจลอย mer mer เกิดขึ้นนะรู้ไปเรื่อยรู้ไ ป, ไปวันหนึ่งกำลังใจลอยปับ๊บสติระลึกได้เอง hey, เฮ้ยเผลอไปแล้วมันระลึกได้เองรู้ว่าเผลอไปไม่ต้องคิดหนอนะคิดหนอนั่นเผลอครั้งที่สองแล้วเป็นการคิดแล้วให้รู้สภาวะนะไม่ได้ให้บริกรรม ถ้าบริกรรมเมื่อไรตกจากวิปัสสนาทันทีเลยเพราะจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นคนละดวงกันนี่ตัวสติหาดรู้สภาวะไปแล้วสติจะเกิด